มีใครอยากกะถามอะไรหรือเปล่าปฏิบัติแล้วเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรบ้างรู้อะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้างสิ่งไหนควรเห็นสิ่งไหนควรรู้สิ่งที่ควรรู้ก็คือธรรมสิ่งที่ไม่ควรรู้ก็คือนิมิตต่างๆนรกสวรรค์กายที่ สิ่งพวกนี้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่ได้ไ ม, ไ, มไม่ไม่เลยเป็นผลต่อการปฏิบัติสิ่งที่ควรรู้ก็คือ อ, อ, อริยสัจสีคนรู้ทุกู้รู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มรรคมันมีอยู่ในใจเราตลอดเวลาเราเห็นมันหรือปเปล่าถ้าเราเห็นมันเราก็จะได้อ่อ กำจัดสิ่งที่มันเป็นทุกข์ให้หมดไปได้สร้างสิ่งที่เป็นสุขให้อยู่กับใจไปตลอดส่วนสิ่งอย่างอื่นเช่นนาโลกสวรรค์กายที่นั่นลึกชาติได้มีตาที่หูทีอ่อ่านจิตอ่านใจของผู้อื่นได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเราเอง เพราะมันไม่สามารถมาดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้แต่อาจจะกลับทำให้มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นไปเช่นเช่นไปเห็นว่าตัวเองจะตายในวันพรุ่งนี้แต่เห็นอย่างนี้ถ้ามีปัญญาก็จะเป็นประโยชน์ถ้าไม่มีปัญญาก็จะเป็นโทษ ถ้าไปคิดว่าพวกนี้จะต้องตายแต่เห็นว่าเป็นตัวเองจะนอนตายอยู่เกิด <_ d ata> อุบัติเหตุลดความตายก็ <_ d ata> จะทำให้ตกใจทำให้กลัวทำให้ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาก็พลิกกลับมามาดูที่ใจมาดูที่ความทุกข์นี่พอเห็นความตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็พลิกเข้าไปหาดูสาเหตุ ข, ของความทุกข์ ว่าพอเห็นความตายทำไมเราต้องทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่อยากตายนั่นเองความไม่อยากตายเป็นต้นเหตุของความทุกข์สมุ ท, ทยัยแล้วความตายนี่มันเป็นสิ่งที่เราเลีกลีงกันได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมักถ้าเราถามตัวเองว่าเกิดมาแล้วไม่ตายหรื อ, อยังไงมีใครบ้างไม่ตายแล้วที่ตายมันเป็นเราหรือเปล่า อันนี้เรียกว่าทริกสถานการณ์จากความทุกข์ให้มากลายเป็นปัญญาขึ้นมาทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดเราต้องมีความทุกข์มันจึงจะทําให้เราสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อมาแก้ความทุกข์ปัญญาก็จะถามว่าแล้วร่างกายนี่มันเกิดมาแล้วมันไม่ตา ย, ยาไหรือไง มีร่างกายของใครบ้างที่ไม่ตายตายด้วยกันทุกคนรา้ที่ตายนั้นมันเป็นใครมันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นทิดาเป็นเราหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟมันตายไปมันกายเป็นอะไรไปเอาไปเผามันก็แยกธาตุกนไป ธาตน้ำก็ถูกไฟเผาละเหยไปหมดธาตุไฟเดี๋ยวพอไฟดับมันก็หายไปหมดก็เหลือแต่เหลือแต่ธาตุดินเหลือแต่ขี้เถ้าขี้เถ้าเหลือแต่กระดูกเศษกระดูกอันนี้เป็นการใช้ปัญญาพิจณ า, าความจริงเมื่อเห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยง เกิดแล้วมันก็ต้องตายไปด้วยกันทุกคนแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเราไปทุกข์กับมันทําไมไปอยากให้มันไม่ตายทําไมพอพิจารณาแล้วอ่ะปล่อยให้มันตายยอมตายพรุ่นี้ตายได้ตามที่ตามนิมิตที่เห็นพอยอมตายพระใจก็หายทุกข์แล้วพวกนี้อาจจะไม่ตายก็ได้เพราะนิมิตมันก็ไม่ได้เป็นของที่ จะเป็นของจริงเสมอไปบางทีก็จริงบางทีก็ไม่จริงเห็นอะไรเราอย่าพึ่งไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างที่เราเห็นมันอาจจะเป็นก็ได้มันอาจจะไม่เป็นก็ได้นี่คือการภาวนาภาวนามันมีของที่ควรจะเห็นควรจะควรจะรู้และของที่ไม่ควรเห็นไม่ควรรู้เจ้เวลาเรานั่งสมาธิ ปริกรรมพุทธโธพุทธโธไปแล้วสักพักหยุดพุทธโธเถอหยุดไปจิตไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ควรถ้าพอได้สติก็ควรจะดึงใจกลับมาอย่าไปสนใจอย่าไปรับรู้อย่าไปติดตามดึงใจกลับมาที่พุทธโธพุทธโธ บอกว่าเรากำลังถ้าขับรถก็เลี้ยวผิดทางไปแล้วเราไม่ต้องการไปทางนี้ถอยหลังกลับมาเข้าเกียร์ถอยหลังกลับมาทางที่เรากําลังไปอยู่แล้วก็พุ่งต่อไปตรงต่อไปพุทโธต่อไปไอทางที่เราต้องการคือความสงบความว่างนั่งสมาธินี้ต้องการให้ใจสงบให้ใจว่างให้ใจเย็นให้ใจสบาย ให้ใจเป็นอุเบกขาให้สักแว่ารู้นี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งแล้วก็นั่งปล่อยให้ควะจิตปรุงแต่งคิดฟุ้งซ่านไปหรือปล่อยให้จิตแสดง น, นิมึกนิมิตอะไรต่างๆมาให้เห็นให้ดูเราก็ตื่นเต้นดีใจไปกับนิมิตที่เห็นนั้นอันไม่มีสาระประโยชนย์ใดการนั่งสมาธินี้ ประโยชน์ที่เราควรจะได้รับก็คือความอิ่มใจสุขใจความเป็นอุเบกขาความว่างความนิ่งเพราะเราต้องมีจิตแบบนี้ถึงจะใช้ปัญญาได้ถึงจะวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลได้ถ้าใจเรามีอคติมีรักมีชังมีกลัวมีหลงจะไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความเป็นจริงได้ จะไม่สามารถวิเคราะห์ร่างกายเล่า ว, ว่ามันเป็นอนิจจังได้เพราะถ้ามีอคติถ้าถ้าเกลียดความตายนีมันจะไม่ชอบพิจารณามันจะไม่อยอมมองความตายพอคิดถึงความตายแล้วมันไม่สบายใจมันหดหู่ใจขึ้นมามันก็เลยไม่สามารถที่จะมองความจริงได้แล้วเวลาไปเห็นความจริงเข้าก็จะ เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอาไปพบกับเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่มีปัญญาที่จะมาสอนใจว่าเรื่องของความตายนี้เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟไม่ใช่เป็นเรื่องของใจใจผู้รู้นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย นาเป็นผู้มาใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆทำตามความอยากของร่างกะของใจเท่านั้นเองถ้าใจไม่มีความอยากจะใช้ร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใจยังต้องใช้ร่างกายให้ทำอะไรตามความอยากของตนอยู่ เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรกับร่างกายก็จะเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่อยากให้ร่างกายตายเพราะอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่ใจที่ได้ความสุขจากการนั่งสมาธิก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะปล่อยวางร่างกายได้ เมื่อเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาก็จะปล่อยเพราะไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์กันเมื่อเราเห็นแล้วว่าต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากของเราเองอยากให้ร่างกายไม่ตายพอไปเจอความตายขึ้นมา ใจไม่อยากให้ตายมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าใจมีปัญญาใจไม่ต้องพึ่งร่างกายใจมีความสุขจากสมาธิจากความสงบใจก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้ก็จะปล่อยวางร่างกายได้ตายก็ตายสิมันอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้มันอยู่แล้ว มันไปเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความสุขทางใจถ้าเราทำใจให้สงบได้ใจเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายไปพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่พาไปดูไปกินไปดื่มไปรับประทานอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขนี่คือสิ่งที่เราต้องมีสองอย่างถึงจะปล่อยร่างกายได้ มีความสุขทางใจที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วก็มีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีใครยับยั้งมันได้ใจที่มีความสุขทางใจก็จะปล่อยได้แต่ใจที่ไม่มีความสุขทางใจก็ปล่อยไม่ได้ต่อให้รู้ต่อให้ยอมรับว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยไม่ได้เพราะ ยังอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเอ่นี่คือเรื่องของการภาวนาภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบใจเมื่อเกิดความสงบใจแล้วก็มาปล่อยวางร่างกายด้วยปัญญาเพราะถ้าไม่ปล่อยจะทุกข์ถ้าปล่อยแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าใจมีความสุขทางใจก็ยินดีที่จะปล่อยไม่เดือดร้อนปล่อยได้ ท่าใจยังไม่มีความสุขไม่มีความสงบทางใจปล่อยไม่ได้เพราะปล่อยแล้วไม่รู้จะหาความสุขอย่างไร <concerts> ใจที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุคนี้ปล่อยร่างกายไม่ได้ <concerts> อย่าว่าแต่ร่างกายเลยของที่ต้องร่างกายต้องการจะออกมาใช้ให้ความสุขก็ปล่อยไม่ได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสก็ปล่อยไม่ได้ลาบยศสรรเสริญก็ปล่อยไม่ได้ คนนั้นคนนี้ก็ปล่อยไม่ได้เพราะต้องอาศัยเขามาให้ความสุขแต่ถ้ามีความสุขทางใจแล้วมีความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วก็ไม่เดือนร้อนปล่อยได้ราความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียง ก, กนลนดร้ต่างๆความสุขที่ดีกว่าจากการได้ร่างกายมา เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆนั้นก็จะปล่อยได้หมดปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสได้ปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายได้ตาจะบอดหูจะหวกก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายโดยที่ไม่ต้องมีลาบยศสำลัเสริญ โดยที่ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติเรามาปฏิบัติเพื่อมาสร้างความสุขทางใจกันสร้างความสุขทางใจที่เกิดจากการนั่งสมาธิอาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขในตัวเองก็ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกไม่ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้ายัางต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสกับผดทะพะแต่พอมีความสงบแล้วก็ไม่หิวไม่อยากกับรูปเสียงกลิ่นรสต้องเสียร่างกายไปต้องปล่อยร่างกายไป ก็ปล่อยได้อย่างง่ายได้เวลาตายก็ตายอย่างสบายไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนจะต้องนั่งรถเข็นเป็นอม้อมะพร้าวน้มพาก็ไม่เดือดร้อนใจมีความสุขตลอดเวลามีความสุขมากกว่าคนที่ใช้ร่างกายหาความสุขเสียด้วยซ้าไปคนที่มีร่างกายแข็งแรงสามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ก็ใช่ว่าจะมีความสุขตลอดเวลาเพราะบางเวลามันก็หาไม่ได้เวลาไม่มีเงินจะไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้เวลาจะซื้ออะไรมาเสพก็ซื้อไม่ได้ทั้งๆที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ขาดปัจจัยขาดเงินขาดทองแทนที่มีความสุขก็เป็นความทุกข์ไปแต่คนที่มีความสุขจากความสงบจากการนั่งสมาธิี ไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไม่เป็นปัญหาจะยากจนไม่มีเงินไม่มีทองไม่เป็นปัญหาเพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเรามาศึกษามาปฏิบัติกันอย่าไป ลืมเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาของการปฏิบัติเราไม่ได้มาศึกษามาปฏิบัติเพื่อให้เจริญในาลาภยศสรรเสริญเจริญในรูปเสียงเกียรติแต่ถ้าได้มาก็ไม่ไม่ปฏิเสธเช่นเรารักษาศีลเป็นคนดีเขาให้รางวาัลเราให้เกียรติบัติเราเราก็รับไว้แต่อันนี้ไม่ได้เป็นเป้เปาหมายของการ ที่เรามาฝึกฝนอบรมจิตใจเราต้องการฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อให้จิตใจมีความสุขในตัวของมันเองด้วยการทำความดีด้วยการทำบุญทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการทำใจให้สงบมันมีผลอยู่ในตัวของมันเองมันไม่ต้องมีรางวี่รางวัลไม่ต้องมีตำแหน่งมาให้ ไม่ต้องมีเงินทองมาให้ไม่ต้องมีเรียบติบัตรมาให้แต่ถ้าเขาจะให้ก็ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะให้ก็ให้ไปใครอยากจะทำบุญก็ทำไปใครอยากจะแต่งตั้งให้เป็นอะไรก็ปล่อยเขาแต่งตั้งไปใครเขาจะสนรเสริญรอยอ ออกใบประกาศอะไรต่างๆมาให้ก็ปล่อยเขาทำไปอันนี้เป็นเรื่องของทางโลกเขาแต่เราไม่ได้หวังสิ่งเหล่านี้ได้ก็เท่าเดิมไม่ได้ก็เท่าเดิมเพราะสิ่งที่เราได้จากการกระทำของเรานี้มันดีกว่าอยู่แล้วความสุขใจความพอใจในความดีงามของตัเองอันนี้มันเป็นความสุขอยู่แล้วสุขมากกว่าเงินรางวัลที่ได้รับสุขมากกว่าเกียรติบัติที่ได้รับ สุขมากกว่าตาแหน่งที่เขาจะให้มาให้ไปเป็นหัวหน้าให้ไปเป็นผู้กํากับให้ได้เป็นผู้อะไรทั้งหลายก็มันก็สู้ความสุขที่ได้จากการทำความดีของเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการอะไรถ้าเราไปต้องการแล้วเราจะอาจจะผิดหวังได้เพราะเวลาไม่ได้ก็จะเสียใจเอ๊ะทำไมเราทำความดีแต่ทำไมไม่มีใคร ยกย่องสารเสด็จเราไม่มีใครให้รางวัลเราไม่มีใครให้ตำแหน่งอะไรเราเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติของเราเองเป้าหมายของการปฏิบัติของเราก็คือใจน่มเย็นเป็นสุขการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนานี้จะทำให้เรามีความน่มเย็นเป็นสุขแลาจะทำให้เราไม่มีความทุกข์ เพาเราจะไม่ต้องพึ่งพาสายร่างกายไม่ต้องพึ่งพาสายลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งพาสายรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเรา <c oughs> เวลาเราไม่มีลาบยศสรรเสริญเวลาเราไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็ยังมีความสุขได้ดงั้นขอให้เราเข้าใจเพื่อเราจะได้ไม่เสียใจ เราสามาเข้าวัดมาเป็นปีแล้วทําบุญทําทานรักษาศีลนั่งภาวนาถ้าเป็นแทบตายก็ยังไม่รวยสัทีอันนี้เป็นความเข้าใจผิดถ้าคิดว่าการเข้าวัดการมาทําบุญทำทานรักษาศีลภาวนาแล้วจะทําให้เราก้าวหน้าในราบยศรเสริญในลูกเสียงกลิ่นลดแล้วก็แสดงว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิแล้วคนที่มีสัมมาทิฏฐินี้ เขาจะเห็นว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อสิ่งเหล่านี้เขาทำเพื่อความน่มเย็นเป็นสุขของจิตใจใจมีความสุขแล้วไม่ต้องการอะไรไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขกับใจได้เหมือนกับการทำทานรักษาศีลการภาวนาอันนี้แหละเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านสร้างกันท่านได้รับกัน แล้วท่านก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้พวกเราได้รู้จักความสุขที่วิเศษอันนี้เป็นความสุขที่จีรังถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับเราไปตลอดเพราะเราคือใจไม่มีวันตายร่างกายของเราสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปสู่จุดจบตายไปกับร่างกายและความสุขที่ได้จากการทำความดีก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แม้เกีติบัตรที่คําว่ามาให้เรานี่มันอาจจะเก่ า, าแล้วก็พังไปเพราะกระดาษมันสักวันหนึ่งมันก็ต้องผุมันก็ต้องพังไปแต่ความดีของเราที่เราทำนี้ไม่ได้ผุไม่ได้พังไปกับกับกระดาษความสุขที่ได้จากการทําความดีของเราก็ไม่ได้ผุพังไป เป็นความสุขที่ถาวรที่จะให้ความสุขเราไปเรื่อยๆตราบใดที่เราสามารถ ร, รักษาความดีของเราไว้ได้เหมือนเกลือ ร, รักษาความเค็มและพวกเราต้อง ร, รักษาความดีไว้เหมือนกับเกลือ ร, รักษาความเค็มถ้าทำทานได้ควรจะทำไปเรื่อยๆถ้ารักษาศีลได้ก็ต้องรักษาศีลไปเรื่อยๆภาวนาได้ก็ต้องภาวนาไปเรื่อยๆ อย่าทิ้งอย่าปล่อยรักษาไปแล้วมันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดความทุกข์ต่างๆจะหายไปจากใจความทุกข์ที่เกิดจากความแก่จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียราบยศสรรเสริญเสียอลูกเสียงกลิ่นลดไปนี่ มันจะหายไปหมดมันจะไม่มีอยู่ภายในใจของผู้ที่มีความสงบเพราะผู้ที่มีความสง บ, บสงนบบี้ไม่ได้ยึดติดกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้ยึดติดกับลาบยศสารเสริญไม่ได้ยึดติดกับร่างกายร่างกายเป็นอะไรลาบยศสารเสริญเป็นอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอะไรไม่เป็นปัญหานี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนา สอนให้เรามาสร้างความสุขที่แท้จริงกันสร้างความสุขที่ถาวรคือความสุขทางใจด้วยการสละความสุขทางร่างกายด้วยการสละราบยศสละเสริญสละร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะมันจะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่มันไม่สามารถทำได้ ร่างกายต่อไปมันต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายเวลานั้นทำอะไรไม่ได้ใช้ก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้ามีความสุขทางใจก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่กับความทุกข์ของร่างกายได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหา ยันขอให้เราพยายามทาบุญทาทานกันบุญนี้ทานนี้ให้ทำถ้าเรามีเงินถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำบางคนไม่มีเงินจริงๆก็ไม่ต้องทำทานไม่ใช่ให้ไปหาเงินมาเพื่อมาทำทานให้ให้ให้เอาเงินที่เหลือกินเหลือใช้นี่ไปทำทานดีกว่าเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะถ้ า, าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลินกาย mm. ก็จะติด mm. ก็จะทำให้ต้องใช้เงินมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อซื้อความสุขเราก็จะต้องไปเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมาซื้อความสุขต่างๆ mm. เอาเงินที่จะไปซื้อความสุขนี้มาซื้อความสุขใจดีกว่าอย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลินกายให้มาซื้อความสุขทางใจด้วยการเอาไปทาบุญทาทาน ทำมุลทำทานแล้วจะไม่ติดจะมีความสุขเวลาไม่มีเงินทําก็จะไม่ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะติดแล้วเวลาไม่มีเงินซื้อมันจะเดือดร้อนมันจะต้องไปหาเงินใหม่มาซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆยังให้ดังนั้นท่านทุกท่านให้เปลี่ยนวิธีใช้เงินให้ถูกให้เป็นประโยชน์และไ ม, ไม่ไม่เป็นโทษแก่จิตใจ ก็คือเอาเงินไปทำบุญทำทานแทนที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกตินกายเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราต่างๆเช่นแารที่จะซื้อรถราคาคันละห้าแสนห0แ0 0ไปซื้อคันลาห้าล้านหล้านมันก็เป็นรถเหมือนกันมันก็วิ่งไปไหนมาไหนได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวมันก็ติด ซื้อล่นห้าล้านหล้านเดี๋ยวก็มีเห็นลดราคา10ล้านก็อยากจะซื้อราคา10ล้านเห็นไปแต่ถ้าเอาเงินหล้านนี้ไปซื้อเอาไปแจกเอาไปทําบุญทำทานไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลใจจะมีความสุขมากกว่าละใจก็จะไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีเงินก็ขี่รถราคาห้แสนก็ขี่ได้ไปไหนก็ไปได้เหมือนกัน เราไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นออกไปซื้อรถราคาแพงๆเห็นคนอื่นเขามีรถแพงกว่าก็น้อยกว่าแล้วมีความรู้สึกด้อยกว่ากอดเขาก็เท่านั้นเองความเด่นมันมีอะไรความด้อยมันมีอะไรมันเป็นเทลงความรู้สึกหลอกใจไปวันๆอย่างนี้ซู้เอาเงินห้าล้านหกล้านนี่แบ่งไปทําบุญ เกไว้ซื้อรถคันละล้านก็พออีกห้าล้านเอาไปทำบุญดีกว่าเราจะมีความสุขกว่าเราจะไม่เดือดร้อนเวลามีใครมีรถเด่นกับเราเราก็รู้สึกเฉยๆเพราะเราไม่แข่งกับเขาเราแข่งกับการทำบุญดีกว่าดูซิว่าใครทำบุญได้มากเท่าเราดีกว่าเราทำบุญห้าล้านก่อนที่มีรถสิล้านมันทำบุญห้ล้านได้หรือเปล่า เราขับรถล้านเดียวแต่เราทลลํ า, นน บ, าทบุญห้าล้านได้ไอคนขับรถสิบล้านมันทําบุญสักห้าล้านได้ปะความรู้สึกมันจะต่างกันการทําบุญนี่มันจะทําบุญห้าล้านกับการไปซื้อรถราคาห้าล้านมาเนีความรู้สึกต่างกันทําบุญนี่มีความสุขกว่าเยอะแยะเลยมีความภูมิใจมีความรู้สึกว่าเราเก่งน แต่การไปซื้อรถมาราคาห้าล้านมันรู้สึกเฉยๆนี้ไม่ดีรู้สึกน้อยกับเขาเสียแล้วไปเห็นคนก็ขับรถสิบล้านขึ้นมานี่คือเรื่องของการทําบุญเหตุผลก็คือให้เอาเงินที่มันเหลือกินเหลือใช้นี้ามาเอามาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษกับใจก็คือเอามาทําบุญถ้าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหรานี่เป็นโทษกับใจ เพราะมันจะไม่มันไม่พอซื้อรถราคาห้าล้านมาเดี๋ยวเห็นรถราคาสิบล้านมันก็อยากจะเปลี่ยน้ะได้ราคา1ิบล้านเดี๋ยวไปเห็นรถราคายี่สบล้านมันก็อยากจะเปลี่ยนมันก็แค่รถนสะี่ล้อเหมือนกันวิ่งไปจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งได้เหมือนกันเท่ากันไม่มีความแตกต่างกันแต่ถ้ามีความหลงมีมิจฉาทิฏฐิข้องําใจแล้วจะไม่มีเหตุไม่มีผล อย่าไปคิดว่าโอเวลานั่งนี่เราเชิดคอขึ้นมาเห็นคนเห็นแล้วจะกราบไหว้เราอย่างนั้นมีใครก็จะกราบไหว้เราบร้านเขาก็ไม่กราบแต่คนทำบุญร้อยล้านเนี่ยเขาอาจจะกราบก็ได้มันต่างกันถึงให้รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษกับใจเงนินส่วนที่ต้องใช้ที่จำเป็นก็ใช้ไป เช่นใช้กับค่าใช้จ่ายเช่นปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก็ใช้ไปตามความจำเป็นแล้วค่าต้องเก็บไว้เผื่ออนาคตก็เก็บไปแล้วถ้ายังมีเหลือก็เอาไปทำบุญยาวไปเที่ยวเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันจะไม่พอใช้เดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดหมดแล้วมันก็อยากจะใช้มันก็ต้องไปหาใหม่ แต่ถ้าเอาไปทาบุญนี้มันจะพอใช้หมดแล้วทาบุญหมดแล้วก็หมดกันก็เท่านั้นเองใจมีความสุขพอแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วไม่มีเงินจะทำแล้วจบแล้วก็เท่านั้นเองเราไม่ต้องไปเสียเวลาหาเงินมาทำอีกเอาเวลาไปหาความสุขที่สูงกว่าดีกว่าความสุขที่สูงกว่าก็คือการไปรักษาศีลไปรักษาศีลแปดกันไปภาวนากัน ไปทำใจให้สงบกันอันนั้นเป็นความสุขที่สูงกว่าความสุขที่ได้จากการทำทานทำบุญเอาบุญที่สูงกว่าคือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลแปดบุญที่เกิดจากการภาวนามันจะได้ความสุขที่ละเอียดกว่าที่ลึกกว่าที่เย็นกว่าที่สบายกว่าแล้วมันก็จะไม่มีความทุกข์ ก็มันไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างยศสรรเสริญถ้าเกิดต้องล้มละลายไปในวันนี้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ใช้เงินทองเงินทองที่ใช้ก็ไปทําบุญหมดแล้วมีไว้คะเฟ่เพียงไว้สาหรับจ่ายค่าอาหารค่าดูแลรักษาร่างกายไปเท่านั้นเองนอกเหนือจากนั้นก็ไม่เดือดร้อน ถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีเงินเสื้อหารก็ไม่เดือดร้อนอย่างมากก็ตายยังไงก็ต้องตายอยู่ดีมีกินก็ตายไม่มีกินก็ตายเมื่อถึงเวลาตายมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนมันจะตายเพราะอดตายอดตายก็มันก็เป็นกรรมของคนนั่นไปตายจะไม่เดือดร้อนถ้ามีความสุขทางใจ ใจจะไม่ทูกกับความตายของร่างกายใจจะไม่ทุกกับความอดอยากขาดแคลนของร่างกายเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายคนอื่นอดอยากขาดแคลนเราเดือดร้อนไปกับเขาหรือเปล่าเราไม่เดือดร้อนร่างกายก็เหมือนคนอื่นดีๆนี่แต่เราไปหลงชื่อก็เป็นเราพอไปหลงชื่อ่าเป็นเราก็เลยอยากให้มันไม่อดอยากขาดแคลนก็เท่านั้นเองพอเกิดความไม่ เกิดความอยากไม่อดอยากขาดแคลนมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่มีความอยากให้ไม่อดอยากขาดแคลนมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ไม่ทุกข์มันก็เฉยเฉยเหมือนกับเวลาละคนอื่นเขาอดอยากขาดแคนแลนเราก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนตรงไหนเลยอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะรู้จะเห็นจากการภาวนาเราจะรู้จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเราจะไม่เดือดร้อนเลยร่างกายคนอื่นเราไม่เดือดร้อนร่างกายอันนี้เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันก็ไม่ได้เป็นของเราเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามีมีมันไวไวรับใช้เท่านั้นเองใช้พาไปไหนมาไหนใช้ไปทาอะไรต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้มันแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันจะเป็นจะตายยังไงมันก็ไม่เดือดร้อน นี่คือเรื่องของการมาวัดมฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาปล่อยว่างมาการ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อเลิกพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เลิกพึ่งพาอาศัยลาบยศสร ะ, ะเสริมเลิกเลิกพึ่งพาอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเลิกพึ่งพาอาศัยร่างกาย <c oughs> และเราจะได้ไม่ทุกข์กับเวลาที่เราต้องพัดพากจากมันไป พวเราทุกคนจะต้องพัดผาจากลาบยศสรรเสริญจะต้องพัดผาจากลูกเสียงกลิ่นรสผลถะพระจะต้องพัดผ้าจากร่างกายนี้ไปถ้าเราไม่มีที่พึ่งงานใหม่เราจะเดือดร้อนถ้าเรามีที่พึ่งงานใหม่คือความสงบเราจะไม่เดือดร้อนความสงบก็คือธรรมังสระนังกชาี้นี้เองการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้รับความสงบนก็ต้องใช้ธรรมะของพระธเจ้าเป็นที่พึ่ง ใช้ทานใช้ศีลใช้ภาวนาเป็นที่พึ่งพอมีทานมีศีลมีภาวนาก็มีธรรมังสารังกฉามีมีความสงบมีนัตติสันติปรังสุขขังมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็ไม่ต้องพึ่งลาบยศสำรักเสยไม่ต้องพึ่งลูกเสียงกลิ่นรสโพธิ์พระไม่ต้องพึ่งร่างกายเวลาต้อง มีการาพากพาคจากกันก็จะไม่ทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่มีความทุกข์ของใจผู้ที่มีธรรมังสารนังกระฉามิถ้ายังไม่มีธรรมังสารนังกระฉามิก็ต้องยึดลาบลยึดสรนเสรยึดรูปเสียงกลิ่นรสยึดร่างกายเป็นสาระนะพอเวลาต้องจากสาร ะ, ะไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ต้องยึดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ภายในใจ ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามมาปฏิบัติกันให้ลักมากมาสร้างสาระที่พึ่งทางใจกันคือความสงบของใจด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทาทานให้รักษาศีลให้ภาวนาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็าขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ยังไงลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ได้ยังยังปฏิบัติอยู่ป่ะยังไงมาอาจารย์ลูกชายเลย <c oughs> ลูกสาวลูกสวไม่ได้มาเอากราบเอาพุพทธคัมภีระสองคัมภีระสอง เรียนจบว่ายังยังครับขึ้นปีหนึ่งครับเรียนที่ไหนเรียนเกษตรครับสีราชาสีราชานี่ยนะการะไรโลจิติกะโลจิติกะพยายามตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จบละหลังๆก็จะได้สบายมีงานทำมีเงินใช้มีความสุขตอนนี้ฝรั่งที่เป็นชาวอังกฤษมาญี่ปุ่น มาปีละสองสามครั้งต่อไปไม่กันยหนมาละไม่มีภาราเิตอละแก่ละทำไม่ไหวละเดินทางบ่อยๆก็เหนื่อยนะพอกินพอใช้ก็พอละไม่เหนือยแล้ว ได้ไปก็อะไรไปไม่ได้นะทำใจใสบายเอาความสบายใจไปดีกว่าใจสบายก็ไปสุขติไปสวรรค์ชั้นต่างๆใจไม่สบายก็ไปอาบายชั้นต่างๆเดี๋ยวจะมีคนถามคำถามมีอะไรอยากจะถามไหม ไม่มีไม่มีอ่ ะ, อะเดี๋ยวขยับไปหน่อยจะกลับแล้วอหร อ, อเอาเลยใกล้เสร็จใกจะแล้วะ น, น, ะล น, น ะ, ะต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook ไลฟ์นะครับคำถามจะคุณนิดหน่อยนะครับมีสถานที่แห่งหนึ่งสอนกันว่าพระพุทธเจ้าตัดสั่งไว้ว่าห้ามพวกสาธุชนฟังธรรมที่ออกจากป สาวกหรืออีกในหนึ่งคือห้ามฟังคําแต่งใหม่ให้ฟังได้แต่คําที่ออกจากพระโอษ์ได้อย่างเดียวเท่านั้นกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้เช่นนั้นจริงๆหรือคะแต่โยมนั่งฟังพระอาจารย์แสดงธรรมก็ที่ทําให้โยมเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้ามากขึ้นนัานเองครับเม่ทราบว่าเขาไปเอามาจากที่ไหนกันไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เพิ่งได้ยินวันนี้ปวนมากันหลายปีนะ กลังแพร่หลายครับะพุทธเจา้าบอกให้ถือหลักการละมาสูตรคำว่าการละมาสูตรก็คือเวลาใครก็พูดอะไรนี่อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปปฏิเสธให้เอาไปหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องฟังแล้วมันไม่มีเหตุผลเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ในพระไตรปิฎกก่อนที่จะจากไปว่า คำสอนของเราทั้งหลายนี่จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่าถ้าถ้าคำสอนท่านเป็นเป็นของพ่อองค์เป็นศาสดาแล้วคนอื่นเอามาพูดไม่ได้แล้วแล้วใครจะมาพูดมันก็มันก็ฟังแล้วมันก็ขัดกันนะใครก็ตามถ้าเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาถ่ายมาถ่ายทอดโดยไม่ผิดนี่ก็ไม่ถือว่าเสียหายตรงไห น, น แต่สถานที่ที่เขาจะแบบลักษณะที่ว่าแบบอ่านตามตาพระไตรปิฎกออกมาให้ทรามเลยไงครับอาจาถ้าคนอื่นพูดไม่ตรงตามพระไตรปิฎกก็คือไม่ใช่ก็มันก <decide. S 1> ็ไปดูเสียว่าตรงหรือไม่ตรงที่เขาพูดไม่ตรงนาทติสันติปลังสุขธรรมนี่มันตรงหรือไม่ตรงควา ม, มสุขที่เหนือกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มีก็ <tril nh> แล้วแต่ความคิดความเห็น ซึ่งแต่ละคนก็คิดได้ mm hmm. เห็นได้ไปตามเรื่องของเขาคําถามจากคุณโพชนีนะครับเวลาโทสัตเกิดมีความร้อนอึดอัดอยู่กลางหน้าอกรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างความร้อนที่เกิดกลางอกนี่คือกิเลสใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันทุกข์ไม่ชอบเลยเจ้าค่ะนั่นแหละมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราอยากอะไรได้อะไรแล้ไม่ได้ดังใจก็โกรธ ก็ร้อนใจขึ้นมาวิธีที่จะกล้าในเบื้องต้นก็พุทโธพุทโธไปอย่าให้เราไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธพอเราอยู่กับพุทโธไปได้ใจก็จะสงบใจก็จะลืมเรื่องโกรธไปแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแต่มันก็หายเพียงในเบื้องต้นชั่วคราวถ้ากลับไปเห็นเรื่องนั้นอีกไปเจอเรื่องนั้นขึ้นมาอีกก็เกิดความทุกร้อนใจขึ้นมาได้ ถ้าอยากจะกำจัดให้มันอย่างถาวรก็ต้องค้นหาสาเหตุของความทุกข์ใจร้อนใจว่าเรากำลังอยากกับอะไรอยู่เราอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธเราก็ร้อนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสามารถทำให้สิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นไปตามความอยากของเราหรือไม่ถ้ามันไม่เป็นเราอยากไปก็ร้อนไปเปล่า ก็ยอมก็เปลี่ยนใจซะก็หนดเรื่องอเมื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่ออยากให้เขากินกินเจเขาไม่กินก็อยากจะไปกินเนื้อก็ปล่อยเขากินไปเท่านั้นก็จบเราก็จะหายร้อนถามข้อต่อไปจะคุณนกอิกสระนะครับผมเคยอ่านในพระไตรปิฎกว่าถ้าศีลไม่ดีและตัดกังวนศีลยังไม่ได้ยังไม่ควรทำสมาธิ นั่นหมายความว่าอย่างไรครับคือไม่ใช่ไม่ควรนะมันทาไม่ได้เข้าใจไหมคนที่กินเหล้ามันจะไปนั่งสมาธิได้ไงคนที่ติดคุกมันจะไปนั่งสมาธิในคุกได้แบบนี้ต้องไม่มีปัญหาทางใจเหมือนถึงจะใจถึงไม่วุ่นวายถึงจะไปทำความสงบได้ถ้าใจยังวุ่นวายกับเรื่องการทำบาปอยู่ ไปเป็นชู้กับใครอย่างนี้ไปช่อโกโงเงินเขาอย่างนี้ใจมันไม่สง บ, บหรอกมันกนนังวลกังวล1ิบประการนี่พอมานั่งสมาธิมันก็จะกังวลกับเรื่องที่เราไปทำผิดนั่นแหละมันก็เลยจะไม่มีวันที่จะสง บ, บได้เราต้องต้องเคลียร์ปัญหาก่อนให้มันออกไปจากใจให้หมดก่อนมีปัญหาอะไรก็เคลียร์มันให้หมดไปอย่าไปทําบาก แล้วเวลานั่งสมาธิก็จะไม่ต้องมากังวลกับการกระทำบาปของเราคำถามจากคุณโทมี่นะครับภาวนาทุกวันเจริญสติระหว่างวันตามที่พระอาจารย์สอนค่ะจิตสงบมีสติรู้ตัวตลอดเกิดปีติกายเบาจิตเบาในบางครั้งหูดับไม่ได้ยินอะไรเลยต่อเนื่องสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีสภาวะที่เกิดนี้เรียกว่า อัปนาสมาธิใช่หรือไม่ครับถึงแม้ว่าถ้าหูไม่ดับเมื่อจิตถอนหรือออกจากสมาธิแล้วให้เจริญปัญญาเลยใช่ไหมครับออมันจะเรียกว่าอะไรก็ไม่ต้องสนใจถ้ามันไม่ได้บอกว่าเป็นอั ป, ปนาสมาธิเราก็ไม่ต้องไปว่ามันเป็นอั ป, ปนาสมาธิมันจะเป็นอะไรก็ <c oughs> ให้มันเป็ข้อสําคัญขอให้มันสงบมันสบายมั น, ปนเป็นอุเบกขา ใจเป็นกลางใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสลูกเสียงเกียร์ลดมาสัมผัสกับใจใจก็เฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่โลภไม่รักไม่ชังก็ใช้ได้พอออกจากความสงบนี้ก็ก็มีสองทางถ้าเรายังไม่สติยังไม่แก่กล้าพอยังไม่ชานาญในการทำใจให้สงบ ก็มาเจริญสติต่อก่อนมาฝึกสติให้มีกำลังมากมากเพื่อเวลาเราต้องการจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่เราก็เข้าได้อันนี้เอาเอาสมาธิให้ชำนานก่อนให้เก่งก่อนเหมือนขับรถเนี่ยขับรถให้เก่งก่อนก่อนที่จะไปแข่งกับเขาหัดขับรถไปก่อนไปขับตามท้องถนนที่ไม่มีรถขับตามถนนที่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือในที่ตองที่ไม่มีรถเขาวิ่งกัน หัดขับให้ชํานาญก่อนเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอะไรเหยียบเบกเรกเลี้ยวรถเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายกับรถกับลาให้มันชํานาญก่อนพอชนานาญแล้วค่อยไปแข่งกับเขาไปขึ้นไปสู่ทางด่วนไปแข่งกันเลยอยากจะเหยียบกันเท่าไหร่อยากจะวิ่งกันเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่เราจะออกทางปัญญานี้เราต้องมีความชํานาญในสมาธิก่อนเราต้องมีกําลังมากพอ ถ้าสมาธิมีกําลังมากไม่พอปัญญาก็ไปไม่ไหวพิจารณาได้เดี๋ยวเดียวกิเลสก็เข้ามาฉุดลากไปคิดเรื่องอื่นแทนที่จะคิดให้ปล่อยวางกิเลสก็มาคิดให้ไปยึดไปติดต่อฉนในเบื้องต้นนี้หัดพยายามเจริญสติหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วไปก่อนพุทโธพุทโธไปก่อนอย่าเพิ่งไปพิจารณาเพราะอาจจะทําให้ฟุ้งซ่านได้ ฟุ้งซ่านล้วก็อาจจะทำให้มันสับไปได้กลับเข้าไปในสมาธิไม่ได้ถ้ายังไม่ชำนาญถ้าชำนาญแล้วพอจิตจะฟุ้งนี่มันหยุดได้ทันทีใหพุทธโธหยุดได้เข้าสมาธิได้เพราะการพิจารณาทางปัญญาต้องใช้ความคิดและความคิดนี้บางทีมันก็อาจจะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แล้วพอเกิดความฟุ้งซ่านถ้าเราชนานาญในทางสมาธิเราก็หยุดมันได้ ถ้าเราไม่ชำนาญมันอาจจะหยุดมันไม่ได้มันอาจจะฟุ้งไปหลายชั่วโมงหลายวันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ถ้ายังไม่ชำนาญทางสมาธิยังไม่ต้องรีบไปทางปัญญาให้มาทางสติก่อนมาเจริญสติก่อนให้มากาหนดพุดโทโธพุโทโธไปก่อนอย่าปล่อยใจให้คิดแล้วพอเราชำนาญแล้ว ต้องการนั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็นั่งได้สงบเมื่อไหร่ก็สงบได้แล้วนี่แหละตอนนี้แสดงว่าเรามีสมาธิแล้วเราชำนาญในสมาธิแล้วเราถึงตอนนั้นแหละเราต้องไปทางปัญญาแล้วถ้าเราไม่ไปเราก็จะเรียกว่าติดสมาธิไม่ยอมไปทางปัญญาคำถามจากคุณอิทธินะครับทุกวันนี้ผมเปลี่ยนตัวเองพยายามไปทำบุญ ฟังนั่งภาวนาบ่อยๆจากที่ไม่ค่อยได้ทำเลยจนคนที่บ้านเรามองว่างมงายมากเกินไปถึงขนาดว่าแม่ร้องไห้ขอให้เราหยุดทำแบบนี้ผมเป็นทุกข์มากที่บ้านผมเห็นผิดแบบนี้ปัญหาแบบนี้ผมควรแก้อย่างไรดีครับก็แก้แบบพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจใครเท่งนั้นน่ะใครจะว่าไงก็เรื่องของเขา พระพุทธเจ้าต้องการเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ไปบวชของท่านถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์เราไปสนใจเรื่องของคนอื่นแล้วก็ไปไม่ได้แล้วคนอื่นเขาทำให้เราหลุดพ้นหรือเปล่าเราอยู่กับเขาแล้วเขาช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือเปล่าหรือเขาฉุดให้เราติดอยู่ในกองทุกข์นานต่อไปคำถามข้อต่อไปจากคุณฝากแล้วลับต่อไปอย่างนี้เป็นสมาธิหรือเปล่าแล้วทาอย่างนี้ได้ หรือไม่ถูกหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกมันก็เป็นวิธีทำให้หลับต่อไงเวลาตื่นขึ้นมาไปพุโทโธพุโทโธแล้วก็หลับต่อถ้ามันจะเป็นสมาธิมันก็ต้องไม่หลับคำถามข้อต่อไปจะคุณอนนกนะครับเราเป็นผู้ตั้งต้นทำบุญถวายยางรถยนต์แต่พ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อกิจการขอวัดและได้บอกบุญกับญาติธรมที่สนิทกัน จนคณะสัทธาร่วมทำบุญจนครบจำนวนราคายางรถยนต์เราเลยไม่ได้ออกเงินค่ายางได้ออกแรงเรื่องการนำถวายการจัดซื้ออย่างนี้ถือว่าเราทำทานหรือเปล่าครับเพราะเราไม่ได้ออกค่ายางเลยเป็นแค่สะพานบุญเท่านั้นก็เป็นสะพานนั้นเราไม่ได้ออกเงินเราก็ไม่ได้บุญคำ <c oughs> ถามที่คุณจรันรัดนะครับ ลูกนั่งสมาธิไปประมาณสี่สิบนาทีจะมีอาการปวดขาและปวดมากลูกพยายามฝืนโดยท่องพุทโธสู้ความเจ็บปวดจนตัวสั่นและจะเป็นทุกครั้งที่นั่งลูกควรแก้อย่างไรควรฝืนไปเรื่อยๆจนไม่ไหวหรือควรหยุดพักจิตกล้องไม่รวมเพราะรู้สึกแต่ความปวดเพราะว่าสติเรามีกำลังไม่มากพอถ้าเรามีสติทำอยู่ต่อ อยู่พุทโนได้อย่างต่อเนื่องความเจ็บมันจะไม่รุนแรงแล้วก็ใจเราก็จะสงบแต่ถ้าเรายังไม่ผ่านจุดนี้ไปเราก็คงจะต้องลุกขึ้นมาเพราะทนไม่ไหวแต่มันก็จะติดอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าเราจะผ่านมันไปได้การจะผ่านมันไปได้เราก็ต้องกลับไปสร้างสติให้มีกำลังมากขึ้นเหมือนการ น, นักมวยที่ขึ้นไปโชคทีไรก็แพ้ทุกทีก็ต้องกลับไปซ้อมใหม่ ซ้มให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องชนะจนไดน้อันใดถ้าเราต้องการผ่านทุกขเวทนาเราก็ต้องมันสร้างสติให้มีกำลังให้เพิ่มมากขึ้นมันพุทโธพุทโธให้บ่อยขึ้นในเวลาที่เราไม่ได้นั่งนี้เราก็หัดพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเดื่ยเปื่อ ย, ยแล้วเดี๋ยวเวลาเรามานั่งเราจะมีสติมีกาลังมากขึ้น เราก็จะอยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องแล้วความเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจหรือบางทีหายไปเลยหรือบางทีจิตสงบเลยความเจ็บก็หายไปเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าเราผ่านละแล้วต่อไปเราเจอความเจ็บเราก็จะไม่เดือดร้อนล้วพุโทโธพุโทโธไปความเจ็บก็จะไม่เข้ามาในใจของเราใจของเราก็จะไม่เดือดร้อน assim, อยู่กับความเจ็บได้เวลาเต ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วดก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดเพราะใจเราไม่ได้ปวดส่วนใหญ่คนที่กินนี้กินเพราะใจปวดจนทนไม่ไหวไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายปวดจนทนไม่ไหวแต่ใจปวดจนทนไม่ไหวเลยกินยาระงับความปวดพอความปวดทางร่างกายถูกระงับไปความปวดทางใจก็เลยหายไปด้วยแต่ถ้าคนไม่มีความปวดทางใจจะไม่เดือดร้อนกับความปวดทางร่างกาย เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ในปวดเมือม่อยไปทูดสพานร่างกายนี้ไม่ต้องกินยาแค่ปวดรู้สึกเฉยเฉยปวดก็ปวดไปแต่ใจไม่ได้ปวดกับมันแล้วความปวดส่วนใหญ่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายคําถามข้อต่อไปจาคุณกิตวันนะครับการทําบุญถวายปัจจัยและสิ่งของต่อพระแล้วจะเป็นการเพิ่มกิเลสให้พระหรือเปล่าครับ พระท่านเอาปัจจัยและสิ่งของไปทำอะไรต่อเจ้าคบคือเราต้องแยกประเด็นอยู่สองประเด็นคือผู้ให้กับผู้รับ <c oughs> เราเป็นผู้ให้เราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะให้หรือไม่อยากจะให้ <c oughs> ถ้าไม่อยากจะให้ก็อย่าไปอ้างว่าพระมีมากมีน้อยหรืออะไรเลยไม่อยากให้ก็บอกไม่อยากให้มันก็จบไม่ต้องให้เขาไม่เขาไม่ได้ว่าอะไรเราเลยถ้าเราไม่ให้ แต่ปะยาาไปอ้างว่าให้แล้วผ้าเอาไปทำเป็นกิเลสหลือเอาไปทำนูน่นทำนี่อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่เรื่องของเราเราอยากจะให้หรือไม่อยากจะให้ถามตัวเองก่อนถ้าเราอยากจะให้เราก็เลือกคนรับก็ได้เนี่ยถ้าไหลวันพระ อ, อันนี้ให้ไปแล้วเอาไปกินเหล้าเมายาเราก็อย่าไปให้ท่าน เ, เราไปให้คนที่เขาเอาไปทำความดีสิพ้าที่ไปทาประโยชน์เผยแผ่ธรรมะก็มีเยอะแยะไป หรือเอาไปทำประโยชน์ให้กับทางโลกพระที่ไปสร้างโรงพยาบาลก็มีสร้างโรงเรียนก็มีช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรก็มีเยอะแยะไปะก็คุณก็ไปทำกับพระที่ก็ทาความดีสิแต่คุณอย่ามาอ้างว่าทำแล้วพระเอาไป ท, นนทนานู่นทานี่เราไม่ทำดีกว่า อ, อย่งนั้นคุณไม่อยากทำก็อย่าไปอ้างเลยอย่าไปอ้างว่าคนรับเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ้างตัวเองดีกว่าว่าไม่อยากทำเสียดายเงินพูดง่าย มันก็จบคําถามเจ้าคุณพัทราพรนะครับลูกมักจะฝันตอนใกล้รุ่งว่ามีคนหลายคนมาพาไปที่ต่างๆหรือบังคับให้ทานอาหารถ้าลูกอยากปฏิเสธในฝันให้ทันหรือตื่นทันทีที่ฝันลูกต้องวางใจยังไงก่อนนอนคะออไม่ต้องวางใจละเวลาตื่นนี่เวลาใครมาชวนให้ไปกินก็อย่าไปกินมันต้องทําให้มันติดนิสัย แลพอเวลานอนหลับมันก็จะฝันตามที่เราทํานีถ้าเราปฏิเสธเขาชวนเราไปกินเราไม่ไปกินเวลาเราฝันเราก็จะฝันแบบนั้นอ่ะถ้าเราเวลาตื่นขึ้นมาก็ชวนไปกินเราก็ไปกินกับเขาแล้วเวลานอนหลับจะบัญญัตกให้มันไปฝันอีกแบบมันฝันไม่ได้หรอกความฝันนี่มันก็มาจากความจริงที่เราทําอยู่ในทุกวันนี้แหละคําถามข้อต่อไปไม่ออกน้ำดีกว่านะครับ สามีมีผู้หญิงคนอื่นเขารู้ทั้งรู้ว่าเราทราบพูดยังไงก็ไม่ฟังยังคบกับผู้หญิงคนนั้นอีกดิฉันต้องทํายังไงครับต่อหน้า ต, ต่อตาเขาก็ยังทําอำจะทําไหก็ทําใจสิเมื่อเมื่อบอกเขาแล้วเขาไม่ยอมก็มก็มีสองอย่างทําใจหรือก็อย่า ก, กันถ้าไม่อยากก็ต้องทําใจถ้าไม่อยากทําใจก็อยา่า คำถามจากคุณรั์นะครับเคยนั่งจนเห็นแสงสว่างรู้สึกสบายใจมากมาหยุดไปพักหนึ่งกลับมานั่งใหม่ทําไมไม่สงบคะหรือบุญหมดแล้วก็สติหมดนะเวลานั่งแทนที่จะมีสติกลับไปมีความอยากถ้ามีความอยากมันก็จะไม่เกิดผลผลที่เกิดเกิดจากการมีสติงั้นถ้าอยากจะให้มันเกิดขึ้นใหม่ก็ต้องเจริญสติเวลาที่นั่งอย่าไปเจริญความอยาก อย่าไปอยากให้มันสว่างอย่าไปอยากให้มันเหมือนคราวที่แล้วถ้าเกิดความอยากเรานี่แล้วมันจะไม่มีผลแต่อยากจะให้เกิดผลเหมือนคราวที่แล้วก็ต้องให้มีสติเหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วมีสติผลนั้นก็เลยเกิดขึ้นมาหมดแล้วเหร อ, อย่างครับอาจารย์ถามไปเรื่อย ๆ, ๆถึงรประมาณคุณคุณมดงานนะครับถามว่ามารดาไม่ยอมรับความแก่ความตายต้องใช้อุาอบายไหนให้มารดายอมรับดีครับ ก็พามารดาไปดูคนแก่คนเจ็บคนตายสิดูบ่อยๆไปดูสถานคนชราไปเยี่ยมคนไปทําบุญที่คนชราไปทําบุญกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลไปงานศพเนโดยเฉพาะงานที่เขาเปิดให้ดูรงศพเนี่ยไปงานศพของคนศาสนาคริสต์ดีเขาเปิดลงศพให้ดูกันจะได้เห็นคนตาย คำถามจากคุณเล็กนะครับพระอาจารย์ช่วย อ, อธิบายเรื่องวิญญาณทั้งหกด้วยค่ะวิญญาณทั้งหก็หมายถึงวิญญาณที่มาทางตาหูจมูกรินกายและใจนะจากขวาวิญญาณก็คือความ ร, รับรู้ทางตาเรียกว่าจากขวาวิญญาณโสตวิญญาณก็คือการรับรู้ทางหูคือพอตาไปเห็นรูปใจก็มีวิญญาณไปรับข้อมูลจากตาอีกทีหนึง่งตา ขอมูลวิญญาณก็ส่งไปที่ใจบอกว่าเห็นรูปแล้วนะเห็นนายกรนายขอเห็นแสงเห็นสีเขียวสีแดงอะไรเนี่ยเรียกว่าเห็นรูปนะอันนี้ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณทางตาเขาเรียกจกักขุทางหูก็โสตต์ทางจมูกทางลิ้นทางกายก็มีวิญญาณแต่ละช่องของเขาแล้วทางใจก็มีอีกช่องมันมี6ช่องใจนี้จะรับรู้ข้อมูลได้6ช่องด้วยกัน รับข้อมูลจากทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางใจทางใจก็คือความคิดบางทีเราไม่ได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสแต่เรานั่งคิดของเรานี่เช่นเราไปอยู่นั่งสมาธินี่เราปิดหูตาจมูกลิ้นกายแต่ใจเรายังคิดอยู่เราก็มีวิญญาณรับรู้ความคิดของเราอยู่ว่ า, อาตอนนี้เรายังคิดอยู่นะนี่คือวิญญาณทั้ง6แล้ววิญญาณอีกตัวหนึ่งนี้เป็นวิญญาณที่เราเรียกตัวจิต ตัวจิตนี่เวลาอยู่ที่ร่างกายเราเรียกว่าจิตเรียกว่าใจแต่เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณอันนี้ต่างกันนะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นตัวจิตตัวใจที่ไม่มีร่างกายที่ไปหาที่เกิดใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็เรียกว่าไปปฏิสนธิเป็นปฏิสนธิวิญญาณไปแล้วพอได้ร่างกายมาจากปฏิสนธิวิญญาณก็กลายเป็น จิตใจไปเป็นตัวเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อตามสถานภาพเล่นตอนผู้หญิงเป็นเด็กก็เรียกว่าเด็กหญิงพอโตขึ้นมาอายุเกิน15เรียกว่านางสาวพอไปแต่งงานก็เรียกว่านางอันนี้เป็นการเปลี่ยนชื่อตามสถานภาพดวงจิตดวงใจนี่เราก็เปลี่ยนชื่อมันไปตามสถานภาพเวลาที่อยู่กับร่างกายก็เรียกว่าจิตใจเวลาออกจากร่างกายไปก็เรียกว่าดวงวิญญาณ เวลาไปเกิดใหม่ได้ร่างได้ร่างกายอันใหม่ก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเหมือนกับนางสาวเด็กหญิงนางสาวนางเนี่ยเหมือนกันหรือเด็กชายนายเนี่ยเหมือนกันคนคนเดียวกันแล้วในตัวใจนี่แหละที่มีไอ้วิญว ญ, ญาณทั้งหกอยู่อยู่ในใจนี่ทีนึงวิญญาณทั้งหนี้มันมีอยู่ในใจจักุวิญญาณโสตวิญญาณเนี่ย ที่มีหกช่องเนี่ยหกวิญญาณเนี่ยมันอยู่ในใจอีกทีหนึง่งเข้าใจยังคำถามจากคุณดนณภานะครับถ้ายังเป็นคนที่ติดอยู่กับความสวยความงามถ้าจะให้ตัดกิเลสมีวัยอย่างไรครับก็ดูลูปไม่สวยไม่งาม้องสิไปเดี๋ยวนี้ก็มีโฟโต้ช็อปลองเอาภาพของเราไปให้เขาแต่ง ห, หน่อย แต่สมมุติว่าอายุ40เป็นยังไงอายุ60เป็นยังไงหรือเวลาที่ไปถูกไฟข้อเป็นยังไงถูกน้ํากดสา์หน้าเป็นยังไงหน้าไปกระแทกกับอะไรเข้าหรืออาจจะรจะเกิดขึ้งแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเช่นอายุเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าตาเราไปเรื่อยธรรมานี้เรามีภาพของคนหลายอายุเนี่ยเช่นดราภาพยนตร์เดี๋ยวนี้เรา สามารถมองเห็นภาพตอนที่เขาเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วมาดูตอนที่เขาแก่ได้คนคนเดียวกันนี่แหละหน้าตาเปลี่ยนไปหรือไม่เช่นนั้นก็ดูภาพของพ่อของแม่เราก็ได้ลูกที่บ้านเราก็มีไม่ใช่พ่อแม่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นยังไงตอนแต่งงานกันเป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงกรหัดดูภาพของคนเราที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแลมันก็จะลึกซึ้งเข้ามาที่ตัวเราว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน คำถามข้อต่อไปนะครับถามเพื่อประดับความรู้นะครับขุดกิ่งแก้วนะครับการกวดน้ําเทลงในภาชนะที่กวดน้ํากับนําน้ําไปเทที่ต้นไม้ถ้าเป็นคนละคนกันอันไหนจะได้บุญคะไม่ได้บุญทั้งหมดนะเพราะน้ำมันไม่ได้ตัวเป็นตัวบุญเวลากวดน้ํานี่ก็ให้กวดน้ําใจไม่ได้ให้กวดน้ําน้ําใจก็คือบุญเวลาเราทําบุญแล้วใจเราจะสะอาดใจเราจะมีความสุขมีความอิ่ม ให้เราขวดความสุขนี้ไปโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำน้านี่ไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าคนไม่รู้ว่าน้ำใจเป็นอย่างไรเขาก็เลยเอาน้ามาเป็นตัวอย่างสมมุติว่านี่เป็นน้ำใจของเรานะตอนนี้เราจะเทน้ำใจของเราให้กับผู้ที่ตายไปแล้วคือบุญเนี่ยกขาเปรียบเทียบ ว, ว่าน้ำที่เราเทอ ย, อยู่นี่เป็นเหมือนบุญที่เราได้ทำในวันนี้แล้วเราจะเทน้ำนี้ไปให้กับคนที่เขาตายไปแล้ ว, วเราไม่ต้อง ไม่ต้องมีน้ำวกวดใจอุทิศบุญทางใจเวลาเราก็ไม่ต้องรอให้มาพระมาสวดก่อนแล้วค่อยอุทิศทำเสร็จปุ๊บอุทิศได้เลย <c oughs> เพราะตอนนั้นใหม่ๆสดๆร้อนๆถ้าเป็นอาหารก็สดๆร้อนๆเอาไปกินเลยถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวเย็นชาบางทีอาจจะบูดก็ได้ที่เราสวดมนต์ที่บ้านเขาบอกว่าถ้าเราสวดมนต์เสร็จให้กดน้าไม่เกี่ยวต้องกดน้ำไม ไม่ได้ไม่เรื่องส่วนโมนี่มันไม่ได้เป็นบุญที่จะไปโกรธให้เขาได้บุญที่เกิดจากการส่วนนี่เป็นของเราเพียงคนเดียวแบ่งให้คนตายไม่ได้บุญที่จะแบ่งให้คนตายได้ต้องเป็นบุญที่เกิดจากการทำทา น, ในใอยู่ที่ใจเราหมดอยู่ที่ใจเราแต่ต้องเป็นบุญที่เกิดจากการทําทานเช่นวันนี้โยมมาทําทานเนี่ยเรานี้เอาบุญที่ได้จากการทําทานนี้ไปให้เขาได้แต่เวลาส่วดมนต์นี่ให้เขาไปไม่ได้เราเห็นทุกคน เขาไม่รู้ไงก็ถูกสอนแบบไม่รู้มาไม่ต้องใช้น้ำน้ํานี่เป็นของศาสนาพราหมณ์เราไปยืมเข้ามาศาสนาพุทธไม่มีน้ําศาสนาพุทธมีแต่น้ําใจให้แผ่ไปทางใจขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั่นคนนี้ขอถ้ารอรับอยู่ก็ขอให้รับไปเอแค่นี้ก็จบละ แล้วไม่ต้องมารอให้พาะสวดยะถาก่อนถึงจะโกวดนะครับกวดได้ทันทีทําบุญตักบาเสร็จปั๊บกวดไปเลยเไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลืมหรือว่าเดี๋ยวอารมณ์เสียมันจะเข้ามามันจะทําให้อารมณ์ดีหายไปแล้วกวดไม่ได้ที่เรากวดก็คือกวดอารมณ์ดีไปให้เขากวดความอิ่มใจสุขใจไปให้เขา ยังนั้นคนเลิกกวดน้ําไปเลยหรือว่าก็แล้วแต่ธรรมเนียมไม่เป็นไรน ะ, อ, ะอยู่ที่ไหนใครก็าทำยังไงก็ทําไปตามภาษาเขาอย่าไปขวางโลกเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอีกที <c oughs> ่กวางต่าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่ก็ยังไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลูคําถามข้อต่อไปจากคุณนวัดนะครับผมอยากเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่า ผมทำสมาธิมาได้แปีจนจิตผมตอนนี้มันนิ่งมีความสุขในใจตลอดเวลาแต่ทำไมจิตไม่พัฒนาไปหน้าคือผมพิจารณาอสุภะร่างกายก็เห็นเราเห็นเขาเหมือนกันหมดแต่ทำไมรู้สึกจิตนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่และยืนนอนนั่งผมก็ทำสมาธิตลอดขณะที่นึกขึ้นได้ไม่ขาดมีความสุขครับแต่รู้สึกจิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก ว่าไม่ฝืนความอยากไอยากกินกาแฟาก็ยังกินอยู่อยากเที่ยวก็ยังเที่ยวถ้ายังฝืนอยู่มันก็ไม่ก้าวหน้าต้องฝืนความอยากเหมือนถึงจะก้าวหน้าคําถามที่คุณสามารถนะครับเวลาแม่ป่วยผมจะฝันว่าแม่เป็นทุกข์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในทางกลับกันเวลาผมป่วยแม่ก็จะฝันกรณีเดียวกันกับผม ท, ทั้งที่ต่างฝ่าย ต่างอยู่คนละจังหวัดเป็นเฉพาะผมกับแม่อยากทราบว่าเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับกเพราะห่วงกันนักกันาะแม่ก็ห่วงลูกลูกก็ห่วงแม่มันก็เลยฝันเหมือนกันคำถามจากคุณชีวิตสุจริตนะครับตอนมีความทุกข์ไม่สบายใจทำไมจิตถีบไม่อยากนั่งสมาธิไม่อยากรู้ลมหายใจคะถ้าใจคลายจากปัญหาหรือสบายใจก็อยากจะทาบุญอยากเข้าสมาธิ ก็เวลามันทุกข์มันก็ใจมันก็ร้อนมันมันก็อยากจะไปทำตามความอยากเพื่อให้มันหายร้อนเจนอยากจะไปเที่ยวนี่มันจะมาให้มันนั่งสมาธิมันก็มันไม่อยากจะนั่งมันอยากจะไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวแล้วมันก็หายหายร้อนแล้วค่อยกลับมานั่งสมาธิต่อได้ต้องไปเที่ยวก่อนคำถามจากคุณวีละพรนะครับแล้วการป้องกันไม่ให้เกิดอารมณ์ โดยเฉพาะอารมณ์ไม่ดีจากสิ่งที่สัมผัสรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องไม่ไปคิดต่อทําใจให้สักแต่ใช่ไหมคะเอาแต่รักษาใจให้เฉยๆกับสิ่งที่เข้ามาสัมผัสรับรู้เท่านั้นพอใช่ไหมคะใช่ให้สักแต่ว่ารู้จะสักแต่ว่ารู้ได้ก็ต้องมีสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติหมดหรืยอยัง หมดแล้วครับอจรหมดแล้วเดี๋ยวเราจะได้ตัดช่วงภาษาไทยนี้ไปเพราะเดี๋ยวจะมีคำถามทางภาษาอังกฤษ ม, มีอุบาสิกาชาวสิงคโปร์ก็เป็นผู้รับคำถาม <c oughs> ใน Facebook ภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษาษาสุชาติก็มีนะถ้าเข้าไปดูเข้าไปดูหน้าในธรรมะ for the asking หรือชื่ออาจารย์สุชาติใช่นะอาจารย์สุชาติก็จะเข้าไปมีหน้าเป็นภาษาอังกฤษ แล้วคนก็จะไปโพสคำถามไว้ในหน้านั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะอตอบคำถามแล้วก็ไปโพสไว้ในหน้านั้นใครอยากจะไปก็ไปได้น ะ, ะก็เดียต้องคนจะอยู่นี่ต้องฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะ <c oughs> <c oughs>